ในครั้งนี้จะพูดเรื่องอนาปานสติหมวดที่สี่ซึ่งเรียกว่าธรรมานุปัสสนาเป็นเรื่องการตามเห็นธรรมเป็นหมวดสุดท้าย หมวดที่หนึ่งเรื่องกายหมวดที่สองเรื่องเวทนาหมวดที่สามเรื่องจิตหมวดที่สี่เรื่องธรรม <c oughs> ซึ่งกว้างกว่าหมวดไหนหมวดเนี่าคาว่าธรรมมัหมายถึงทุกสิ่งหรือสิ่งทั้งปวงแต่ในบัดนี้ท่านเล็งถึงในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่ เราปฏิบัติสมบูรณ์แบบจึงปฏิบัติครบทั้งสี่หมวดคนทั่วไปในความนิยมทั่วไปก็ปฏิบัติหมวดนี่เป็นส่วนใหญ่คือหมวดธรรม เ, เขาไปเรียกว่าพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตต า, าเรียกอย่างโบราณด้วยความเคารพนั่นคนแก่ๆหรือคนธรรมดาสามัญทั่วไปก็ก็มุ่งกันที่นี่เรียกว่าปฏิบัติหมวดธรรมโดยเฉพาะ <c oughs> พิจรารณาถึงคำว่าธรรม ทังสิ่งทั้งพวงที่เคยพูดมันแล้วไม่รู้จักกี่ครั้งกี่หนว่าถ้าจะรู้จักธรรมโดยสิ้นเชิงแล้วก็รู้โดยสี่ความหมายว่าธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติและผลที่จะเกิดขึ้นมาเป็นสี่ความหมาย ที่ทำไหนอะที่มันเป็นปัญหาแต่พาะหนะ้าทำที่เป็นธรรมชาติะที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเขาไปยึดถือเอาแล้วก็เป็นทุกข์เรียกว่าทำที่กําลังเป็นปัญหาหรือที่กําลังยึดถืออยู่อ <c oughs> ถ้าจะศึกษาธําทั้งหมดก็มหมดหมดหม ด, หมดทั้งพระไตรปิฎกหรือหมดทั้งจักรวาลมีธรรมที่เป็นปัญหาคือธรรมที่กําลังยึดถืออยู่แล้วเป็นทุกข์คนทั่วไปก็ปฏิบัติลัดนีก็ปฏิบัติเรืเ่องอนัตตาเรื่องเดียวเป็นการปฏิบัติรัด ไปปฏิบัติอนัตตาโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่รู้เรื่องอนัตตาหายใจเป็นอนัตตามันก็พอ เราเคยพูดเป็นหลักว่าจะปฏิบัติอนาปานสติก็ต้องปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจะปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนพรลงมือปฏิบัติว่า น, นั้นก็ปฏิบัติมาแต่ขั้นต้นที่สุดนั้นหล่ไล่ไลามาตามลำดับข้อนี้มีความลับจำเป็นเพื่อจะได้รู้จักไอ้สิ่งทั้งพวงเหล่านั้นมาตามลำดับ จพบความเป็นอนัตตาของมันมาตามลาดับตามลาดับตามลำดับเด๋ดนี้มาสรุปเป็นทั้งหมดเป็นอนัตตาทั้งหมดเป็นความเป็นความลับที่จะต้องทำอย่างนั้น หมวดนี้ขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สิบสามของทั้งหมดเรียกว่าอ น, นิจจานุปัสสีอ น, นิจจานุปัสสีออกชื่อแต่อา น, นิจจาอย่างเดียวอา น, นิจจังอย่างเดียวแต่มันคลุ่มหมดเลยอะไรอะไรที่เนื่องอยู่กับอา น, นิจจังหรือสืบต่อมาจากอา น, นิจจังมันรวมหมดอยู่ในหมวดนี้ <c oughs> เดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะทให้พูดกันแต่อันิจจังทั้งที่อนัตตาเ็นหัวใจพุทธศาสนามันเขาไม่รู้ถ้าลงตั้งต้นโดยการเห็นอันิจจังแล้วมันจะมาเป็นสายตลอดไปถึงมันลุกมากผล <c oughs> พูดกันติดปากก็อันิจจังทุกครั้งอนัตตา แต่ในบาลีแ ท, ะ ท, ะทะ้ๆมันจะพบแต่อริจจังกับอนัตตาหรือสําคัญที่สุดมันก็อยู่ที่อนัตตาแต่จะอนัตตาจะเห็นอนัตตาได้ง่ายก็เติมไปแต่เห็นอริจังหมวดนี้จึงเอาอริจังขึ้นมาเป็นหมวดต้นแล้วก็อมความหมายของทุกขังของอนัตตาของ ต่ท้าต า, าสุญญตาไร้ไว่าหมดนะถ้ามันจะเนื่องกันอย่างที่เห็นชัดติดต่อกันไปเลย <c oughs> จึงมาตั้งต้นเห็นอ น, นิจจังกันก่อนาอตามหลักเกณฑ์ตามหลักพระบาลีนี้ การปฏิบัติธรรมะนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งอยู่อย่างหนึ่งคือว่าต้องมีของจริงมาอยู่ในความรู้สึกอยู่ในใจนี่ก็ต้องมีอนิจจังม่รู้สึกอยู่ในในใจในเวลานั้นถ้าเราเรียนในโรงเรียนนักธรรมเช่นตรีโทเอกอะไรมันมันอนิจจัง ที่ไม่มีตัวอยู่ในใจอันนี้อานิจจังโดยคาดคะเนอานิจจังโดยเหตุผลอานิจจังโดยอันนั้นก็ไม่รู้ไม่มีตัวอานิจจังมาอยู่ในใจนี่เรียกว่ามันไม่ไม่ไม่ไม่ถูกต้องมันเป็นอานิจจังรับหลังไม่ใช่เป็นอานิจจังเฉพาะหน้า อันนี้เราต้องมีอนิจจังเฉพาะหน้าคือรู้สึกอยู่ในใจ <c oughs> ดังนั้นจึงต้องทำทุกสิ่งที่มันจะให้เห็นอนิจจังไว้ในใจใทำสมบูรณ์แบบเห็นอนิจจังมาตั้งแต่ลมหายใจ กายะสังขารความระงับแห่งกายะสังขารเวทมาทุกชนิดแล้วก็จิตทุกชนิดซึ่งจะแยกออกได้เป็นหลายสิบชนิดในในสามข้อข้อนั้นนะก็เห็นอนิจจังของมันทั้งหมดนี่เอาอนิจจังมาว้ในใจเป็นอนิจจังเฉพาะหน้าคือกำลังรู้สึกอยู่ อั น, นิจจังรับหลังในโรงเรียนนั้นมันก็ไม่ได้ผลเพราะเหตุนี้นะ <c oughs> เห็นอั น, นิจจัง <c oughs> ของอุปาทานิยธรรมหรืออุปาทิ น, นธรรมคือ สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือที่ได้ยึดถืออยู่แล้วนะั <c oughs> ่นม่จะพูดคราวเดียวให้หมดอ่าเป็นการแนวเป็นแนวเป็นแนวใหญ่ว่าอ น, นิจจานุปัสสีเห็นอ น, นิจจังของอุปาทานหรือสิ่งที่ยึดถืออยู่ในอุปาทาน <c oughs> พอถึง หมดที่สองวิราคานุปัสสีก็เห็นการคลายคลายคลายออกของอุปาทานพอมาถึงขั้นที่สามคือนิโรธานุปัสสีก็เห็นการดับไปแห่งอุปาทานพอถึงขั้นสุดท้ายอันปฏินิสตคานุปัสสีเห็นความหมดสิ้นอุปาทาน คือเห็นนิพพานเราจะต้องเห็นอนนีจังของอุปาทานคือตัวสิ่งที่ยึดถืออยู่โดยอุปาทานมาเห็นความคลายออกของมันของอุปาทานเห็นดับลงแห่งุปาทานเห็นความหมดสิ้นแห่งอุปาทานหมดนี้มีใจความอย่างนี้มีความสําคัญอย่างนี้กจะกำหนด ไว้ได้แล้วก็จะเป็นการดีที่สุดเห็นอนิจจังไม่เที่ยงอณิจจตาความไม่เที่ยงี่ยนั่นก็เห็นอนัตตเห็นทุกขาตาความเป็นทุกข์เขเห็นความไม่เที่ยงเถอะจะรสึกเป็นทุกข์เร่ออ้าเกลียดชังเห็นมาทันที เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนเรื่อยนี่เมื่อต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่มันก็ลำบากที่ต้องเป็นไปตามความไม่เที่ยงมันก็ลำบากนะถ้าเห็นอ น, นิจจังความไม่เที่ยงเ็เห็นทุกครั้งคือความเป็นทุกข์ <c oughs> ถก็เห็นอ น, นิจจังทุกครั้งจริงๆก็จะเห็นในความที่ว่าต่อสู้ไม่ได้ต้านทานไม่ได้ <c oughs> นั่นคืออนัตตาอนัตตา พิจารณาให้เห็นเนื่องกันไปต้องอยู่กับอนิจจังเป็นทุกข์ทุกอย่างมันเป็นอนิจจังเราต่อต้านไว้ไม่ได้ต้องเป็นทุกข์นี่คือความเป็นอนัตตาแล้วก็มีทางที่เห็นต่อไปตามลำดับถ้ามีสติปัญญาหรือละเอียดแล้วอ่อสักหน่อย เห็นธรรมมัติติตตาคือความที่ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นเราจะเห็นธรรมนิยามตาคือเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติบังคับอยู่อย่างนี้แล้วก็จะเห็นความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือเห็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจะสมุปบาทในที่สุดก็เห็นว่า ไม่มีไม่มีสาระตรงไหนที่เจะยึดถืออดได้มีแต่การไหลไปตามกระแสแห่งปฏิกจรสมุปบาทในที่สุดก็จะเห็นโอ้เช่นนั้นเองเว้เช่นนั้นเองตาท้าตาตาทัดตาตาตทาตาแล้วแต่จะเรียกนั้นมันนําไปสู่สิ่งสุดท้ายคืออตรตัมยตาไม่เอากับมันละโวย ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้อีกต่อไปเนี่ยกางบรรลุผลสุดท้ายคือเป็นพระอรหันต์อยู่เนื้อการปรุงแต่งของสิ่งของวเรียกมันตลกๆว่าแม่แก้วตา <c oughs> คือก้าวตาก้าวตาแก้วตาอนิจจตาทุกขตาอนัตตา <c oughs> ธรรมมัิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจะตาแล้วก็สุญญตาตถาตาอัตตมัยตาหจอบนี่แม่แก้วตาสามตาสามตาสามตามันต้องต้นที่อนิจจังเว้นจากอนิจจังมันก็ไม่มีก้าอันนั้นการเห็นอนิจจาอุปัสสีเป็นข้อแรกนะมันเป็นเหตุผล มันเป็นเคล็ดลับของธรรมชาติที่ตั้งต้นด้วยเห็นอันนิจจังก่อนมองดูในทางหนึ่งเป็นของที่หน้ารังเกียดเหียดฉังอันนิจจังทุกข์ังอลหน้าตานี่ยมันขบกัดไปมองดู ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นของประเสริฐพิเศษควรจะเคารพเลยเรียกว่าพระพระอนิจังพระทุกขงังพระอนัตตาได้ยินคําคนแก่ๆเขาสวดมนต์อะไรกันเขาใช้คําว่าพระพระนั้นพระอนิจังพระทุกขงังพระอนัตตามาแล้วมาแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็ดูความหมายของคำว่าอานิจจังซึ่งตัวนี้ก็แเราไม่เที่ยงนิจจัแปลว่าเที่ยงอนิจจับก็แล้วไม่เทียเเท่ยงคือเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อย <c oughs> ไอ้คําประหลาดคําหนึ่งของเใ น, นาศาสนาชาตริก ฮิรักติทัตส์เาใช้คำว่าไหลเรื่อยเพนทาเรเพนทาเรมันไหลเรื่อยเขาเห็นความไหลเรื่อยเขาไม่ได้ใช้คำว่ า, าอนิจจังคนนี้ก็คลองสมัยกับพระพุทธเจ้านะ <c oughs> เห็นในความไหลเรื่อยจนบอก <c oughs> เพื่อนมนุษย์ว่าทุกสิ่งไหลเรื่อย คนทั้งพวงก็ไอบ้าไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่เอาด้วยไม่ฟังด้วยถูกจัดให้เป็นเจ้าลทัทธิลึกลับถูกส้าให้เป็นเจ้าลทัทธิลึกลับบอกอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกสิ่งไหลเลนี่เอากับความโง่ของคนมันไม่เห็นอ น, นิจจ์ <c oughs> ข้อนี้ก็นึก ถึงข้อความในบาลีที่พระพุทธเจ้าสัตว่ามีอารักคนชื่ออาระกะสอนคำสอนเรื่องอ น, นิจจังเหมือนกับเราเรียกว่า อ, อารกาอนุสาสนีคําสอนของอาระกะาศาสนาสอนว่าอ น, นิจจังอ น, นิจจังในบาลีมีเพียงคํานี้เ <c> พ <oughs> เลยคิดถึงในาศาสดากรีกคนนั้นน่ะอาระกะ สมมติคือว่าสมสมสมผ ส, ส, สมรวเลยว่ามันแปลว่าไกลอารักก า, กาศศาสดาในที่ไกลนู่นไกลนูน่นมันสอนเรื่องไหลเอื่อยพระเจ้าขัาบว่ามีาศาสดราสืออารักก า, าศซอนเรื่องไม่เที่ยงเหมือนเหมือนกับเรานะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยให้รู้ว่าเถิดว่าอันนี้จังเนี่ยมันเห็นได้ง่ายจนมีใครเห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันน่ะ แล้วก็พระเจ้าก็ยอมรับรองอ น, นิจจังอย่างเดียวกันนะเพราะมันไหลเรื่อยเนะี่ยมันจะเอาตัวจริงที่ตรงไหนได้อ น, นิจจังก็คือมายามายาถ้าเราก็โง่หลงรักความหลงรักสิ่งที่ไหลเรื่อยถ้าถ้า ถ้าทำในใจถึงกิริยาการอันนี้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกเป็นคนบ้าหลังหลงรักสิ่งที่ไหลเรื่อยจะเป็นพบกันที่ตรงไหนจะได้กันที่ตรงไหนอนี่ลองทําในใจอย่างนี้น่าจะไม่ใช่คําวาลีคําธรรมะอะไรก็มันก็เป็นตัวธรรมะนั่นอย่างยิ่มันไหลเรื่อยไหลเรื่อยเราไปหลงรักมันได้ อันนี้จังไม่เชี่ยงไม่เชี่ยงคือไหลเรื่อยเมื่อไหลเรื่อยไปอยู่กับมันก็ลำบากก็เป็นทุกข์สู้มันไม่ไหวต้านทานมันไม่ไหวก็ไม่มีตัวตนอะไรที่จะเป็นของเราได้ลักษณะอาการหรือเหตุผลก็มีมากมายดูเอาเองได้ ถ้าทําอานาปานัสสติมาตั้งแต่ลมหายใจตัวลมหายใจก็ไม่เที่ยงความยาวของลมหายใจก็ไม่เที่ยงความสั้นก็ไม่เที่ยงอความที่ปรุงแต่งร่างกายเนื้อนี้ก็ไม่เที่ยงความระงับลงไปก็ไม่เที่ยงความกําเริบขึ้นมาก็ไม่เที่ยงพ็นปิจขึ้นมาพินิจก็ไหลเรื่อยไม่เที่ยงสุขขึ้นมาก็ไหลเรื่อยไม่เที่ยง รุงแต่งจิตเป็นจิตสังขารก็ไม่เที่ยงไหลเลยทำจิตสังขารให้ระงับหรือไม่ระงับก็ตทำมันก็ไหไม่เที่ยงไหลเลยตัวจิตชนิดไหนชนิดไหนจิตชนิดไหนนี่ไหลไหลชนิดที่ไดพูดมันแล้วก็นไหลเรื่อยแต่ละชนิดอืมันจะทําให้ปราโมทความปราโมทก็ไหลายเรื่อยทำตั้งมัน่นตั้งมั่นก็ยังไหลเรื่อยคือเปลีป่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย แล้ว่าปล่อยปล่อยปล่อยนี่ก็ยิ่งเห็นความไม่เที่ยงอย่าประมาทที่จะไม่ทามาตั้งแต่ต้นดูแต่เด็กเรียนกอคอก็ต้องตั้งต้นเรื่อยไปแม้จะไปถึงกลางกลาแล้วก็ต้องลงมือเรียนก็ต้องตั้งต้นอไปตั้งแต่กอคอตัวกอเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับมันมันจะสืบเนื่องมันจะเป็นสายที่ราบรื่นไม่มีที่สะดุดลื่น ขอขจาจไม่ว่าการทำโดยวิธีนี้ดีมากท่เราก็เห็นอ น, นิจจังมาตั้งแต่ลมหายใจพอถึงขั้นสิบสามเห็นอ น, นิจจังก็งมาทำกันแต้ตนแล้วก็เห็นอ น, นิจจังไปตั้งแต่ต้นจนตลอดสายแต่คนประมาทเขาไม่ทำอย่างนี้ ถ้าดิฉประมาทถึง่าขาดขันในเอาในโรงเรียนก็ได้ไม่ต้องมาทำวิปัสสนาที่มาถึงขั้นที่สิบสี่วิราคานุปัสีเมื่อเห็นความไม่เที่ยงแห่งอุปาทานหรืออุปาทานทนิยธรรมมันก็คลายความยึดมั่น วิราคานี่แปลว่าคลายว่าอจางมาถึงขั้นนี้มันเริ่มมีการคลายการจ้างแห่งอุปาทานความยึดถือว่าตัวตนมันก็คลายหรือจางสมัยว่าสิเลนนี่แหละมันละลายละลายลงอนุสใสถูกกว่าเรียกว่าอนุสัยที่มีอยู่มันละลายลงละลายลงจางลง นั่นก็หมายความอวิชามจางออกอวิชามจางออกความมืดจางออกแสงสว่างก็เข้ามาแสงสว่างก็เกิดขึ้นวิราคาจางออกจางออกนั่นคือไ ม, ไม่ไม่ไม่ยึดมั่นเหมือนแต่ก่อนนั่ น, นคืออาการของสิ่งที่เรียกว่าอาต ม, มะยะตา ความที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้มีแต่จางออกไปจางออกไปจางออกไปคำคำนี่แม้จะเป็นคำแปลคำใหม่ก็ค่อยจางไม่เป็นหลักใช่ไความที่ปัจจัยมันปรุงแต่งไม่ได้นั่นคือความหลุดพ้นกิิยาอาการนั้นความหลุดพ้นครุงแต่งไม่ได้ ไม่ให้สิ่งนั้นปรุงแต่งได้อีกต่อไปอาการที่คลายออกคลายออกคลายออกนะั่นคือปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้มีในสังขารธรรมทั้งหลายที่มันเคยปรุงแต่งสังขารนี่แปลว่าการปรุงแต่งสังขารนี่แปลว่าผู้ปรุงแต่ง สังขารนี่แปลว่าถูกปรุงแต่งสังขารทั้งนั้นนคําเดียวกันนะอยู่ในลักษณะที่ถูกปรุงแต่งก็ไม่เป็นตัวเองไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีความรู้สึกนะเป็นผู้ปรุงแต่งนะี่ศัตรูตัวร้ยายการปรุงแต่งนะี่คือการไม่หยุดไม่สงบหรือไม่หยุด เดี๋ยวนี้มันจางออกจางออกแห่งการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งไม่ถูกปรุงแต่งนั่นก็คือเริ่มหลุดพ้นนะฮะเริ่มหลุดพ้นคา <c oughs> วิราบางทีก็แปลกันว่าความหน่ายมันก็คำเดียวกับจางจางก็คือหน่ายคลาย เสนสีมันจางลงนมันคือนายกระจายออกไปลดความเข้มข้นลงไปก็เรียกว่านายนายวิราคะคือธรรมะเป็นเครื่องหนายหรือความนายจางออกก็จางออกเป็นความยึดมั่น นายแห่งอัฏฐาทะในกามความพอใจยินดีในกามในกามะธาตุี่ก็นายนายนะไปพอใจในรูปธาตุนั่นก็จางว่านายนายคลายความยินดีในรูปธาตุมาไปยินดีในอรูปธาตุนก็นายนายนายจางออกในรูปธาตุหมดเป็นธรตมยตา ทำเมตตาทําให้ความน่ายถึงที่สุดหมดหมดถึงที่สุดในความหน่ายก็คือหมดดับสนิทไม่ว่าอะไราจางออกจางออกจางออกก็สิ้นหมดสิ้นเนี่มันก็เป็นที่สุดในความหน่ายในในขั้นวิราคานุปัสสีนี่ยดูเห็นความน่ายน่ายน่ายน่า ย, ายไปตามลาดับ สิ่งอะไรที่เคยยึดมั่นโดยป่าทานอปาทานในสิ่งนั้นก็น่ายนายนายนายมีเรียกว่าวิราคานุปัตสีนั่งดูความน่ายความจางคลายในขั้นนี้อย่างเต็มที่ทั้งนคนฉลาดรอบรู้หมดจึงจะรู้จักกามาธาตุรูปาธาตุอรูปาธาตุ นักศึกษาแรกเรียนยังไม่รู้แต่ที่จริงมันก็ควรจะรู้คักามาธาตุจมีความหมายทางกาลนักไคร่กำนัลยินดีอย่างกาลรูปธาตุก็ไม่ใช่กามไม่มีกามไม่มีความหมายแห่งกามเป็นรูปล้น่ลนๆุนมันก็สูงกว่าถ้าจิตใจมันสูงมันก็ไปลงนักครายินดีอยู่ที่รูปร้นรนะ ถ้าใจมันสูงขึ้นไปอีกก็เออไอ้รูปมันยังเกะกะยุ่งยากลํำบากเอาไม่มีรูปดีกว่านี่ก็ พ, พอใจในอารูปทางจิตใจเข้ามาทิ้งในสมาธิตามมันหลับสูงขึ้นไปอยากจะเอาเรื่องชาวบ้านชาวบ้านเดินถน น, นดีกว่าว่ากามก็คือเพศเรื่องเพศรูปก็ไม่เกี่ยวกับเพศเป็นรูป ร่วนครับสมบัติร่วนๆอะไรอย่างนี้ข้าวของร่วนๆนม้จะของเล่นที่พะ อ, อารูปกับสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นความหมายเป็นนามธรรมเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรก็ลงไปได้เหมือนกันนะรู้จักกันไว้บ้างว่าเราเกี่ยวข้องกันได้กับรูปแล้วกับกามกับรูปกับอารูปแมอยังไม่เป็นพระอริยเจ้า หลงรักกำนัดยินดีในกามนี่เป็นปกติวิสัยของคนธรรมดาหลงรักในรูปวุ่นล้วนวัตถุล้วนล้วนก็ได้หลงรักในสิ่งที่ไม่มีรูปก็ได้ <c oughs> เป็นเพียงความรู้สึก ต้องคลายความยึดถื อ, อยืมปาทานในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเป็นทุกข์อยู่ก็ดูเถอะมันต้องมีเหตุไนงะไม่ต้องถามใครอะ่ะดูวัาวที่ความทุกข์และลุ่มไปข้างล่างก็เห็นเหตุอ้าวมาจากกามด้วยอีกทีโอมาจากความหลงไหลในรูปทีกทีความหลงไหลในอรูปมันก็จะพบเหตุ กว่าของชั้นต่าต่ำ ต, ำตน ต, น, ตนเจตเี้ยนี่ก็มีรูปก็ดีอรูปก็ดีชั้น ต, ต่ำต่ำตน ต, น, ตนเจตี่ยน <c oughs> ถ้ารู้จักไอ้สามคำนี้ได้ก็จะดีที่สุดตารแล้วรูปแล้วอรูปมันเกี่ยวข้องกับเราอยู่ทุกวันนะ ในขั้น ต, นตน้นๆคลายออกจากสิ่งนั้นคือคลายจากความยึดถือของสิ่งนั้นไม่ต้องทุบทำลายสิ่งนั้นนะแต่ว่าคลายความรักความพอใจความยินดีในสิ่งนั้นนั่นแหละเรียกว่าวิราคะ มีคําบาลีแปลกอธิบายยากว่าวิราค่านี้เลิศ ก, กว่าสังคตะและอสังคตะสังคตาวาสังคตาวาวิราโคเตซังอคคามค่ายติวิราโคเตซังอคคามค่าย ต, วา ต, าายติวิราค้อันท่านกล่าวว่าเลิศ ในบรรดาธรรมเหล่านั้นน่ะคือ ท, ท, ทั้งทั้งทั้งสังคตะและสังคตะถ้าเป็นสังคตะวิราฆามันก็นเลิศเลยเพราะว่าสังคตะสังคตะธรรมสังขารธรรมมันอลอกลอ่วนถ้ามีวิราฆาก็เลิศกว่าที่บรรดาสังคตะ แต่มันในความหมายหลายๆชนิดกันหลายในความคลายจากความยึดมั่นในเลิศคือมันเป็นตัวสังคตตาอยู่ในตัวถ้ามันคลายออกได้หมดก็คือไม่ถูกปรุงเป็นอสังคตานี่ค่อนข้างจะฟังยากแต่พอจะเห็นได้อย่างนี้ในโรงเรียนนักธรรมเขาจะอธิบายกันอย่างไรก็ไม่รู้มีราคาเลิศ ก, กว่าทั้งสังคตะและสังคตะ เราสรุปก็ง่ายๆว่าวิราคะในชั้นสุดก็คือ น, นิพพานไวัยพุทธของนิพพานอ้าวทีนี้ก็มาถึงความกรากวมของคําคํานี้ที่คำนี้ผมชะโงนมาตลอดเวลามันกํากวมุมแต่ในที่สุดก็สรุปว่ามันเป็นมันเป็นได้วิราคะนี่มันเป็นเหตุก็ได้มันเป็นผลก็ได้วิราคะ ถ้าเป็นเหตุก็เป็นเหตุให้ได้วิมุตต์นะถ้าว่าเป็นผลมันก็เป็นผลมาจากนิพพิทาจะมีนิพพิทาเบือนหน่อยมันก็มีวิราคะวิราคะก็เป็นผลถ้าวิราคะกลายเป็นเหตุมันก็ให้ได้วิมุตต์จะเอาเป็นเหตุก็ได้จะเอาเป็นผลก็ได้ ยิ่งกว่านั้นในที่บางแห่งนะเป็นไวพสถของนิพพานก็มีหรือว่าดูทางหนึ่งก็ไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้นิพพานปรากฏก็มีไม่ใช่คาว่าเหตุเพราะมันไม่ได้สร้างนิพพานขึ้นมาแต่มันเป็นเหตุให้พระนิพพานปรากฏเป็นปัจจัยแห่งการปรากฏของนิพพานนี่ก็เป็น ทางนิพพานที่เป็นไวยพฤษหรือคําแทนชื่อแห่งนิพพานก็คือหบทว่าเอตังสั้นตังเอตังเป็นนีตังยะทีทางสัพพสังฆารสมะโตสปูปปิปฏินิสัโคตันหักโยวีราโคนิโรโธนิพานังอย่างนี้เป็นไวยพฤ์ของกันทั้งนั้นนะเป็นนิพพานเป็นไวยพฤษของนิพพาน ผู้ใดกำหนดทำนี้เป็นอารมณ์เรียกว่าเจริญสมาธิในนิพพานเป็นนิพพานสมาธิสมาธิในอมตะเป็นธรรมะนิพพานเรียกง่ายๆสั้นๆไม่เคยได้ยินกันไม่เคยได้สนใจกันนะธรรมสมาธินะือมีนิพพานเป็นอารมณ์ เอบทว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังเรืยไปจนถึงนิพพานนังงฮะเป็นอารมณ์ถ้าพูดอย่างนี้วิราคะเป็นตัวนิพพานเป็นไวโพ์ของนิพพานแทนชื่อนิพพานดูอีกทีหนึ่งก็เป็นปัจจัยให้ปรากฏให้นิพพานปรากฏโดยชั่วไปเราจึงถือกันว่าวิราคะเป็นมรรคนิโรธเป็นผล วิราคะเป็นมัคคยา น, นิโรธะเป็นผลญาณมัน <c oughs> คู่กันไปอไรอยิยมรรคคือวิราคะนิโรธะก็คือผลคือนิพพาน <c oughs> ที่นี่คุณจะกำหนดอะไรในอานาปานสติ ท่นนี่เขาตามตัวหนังสือเลยกําหนดความคลายออกคลายออกจางออกนายออกนายออกแห่งอุปาทานที่เคยยึดมัน่นถือมัน่นในอะไรก็ตามพอเห็นอันนี้จังในสิ่งนั้นแล้วอาการคลายออกคลายออกจางออกมันก็มีที่เราก็นั่ ง, ด, ง, ด, ง ด, มม ด, ดูนั่งดูใช่ก็มานั่งดูสมมติคือกําหนดสติกําหนดนั่งดู ความลายออกคลายออ ก, ออกแห่งอุปาทาน <c oughs> มันจะเห็นเลยไปถึงคลายออกแห่งกิเลสคลายออกแห่งอวิชชาคลายออกแห่งความทุกข์ความที่มันเข้มข้นด้วยกิเลสด้วยอุปาทานนี่มันคลายออกคลายออกมันจางออก แหคลายออกคลายออกของโลกียธรรมจนหมดสิน้นความเป็นโลกียธรรมก็เป็นโลกุตตะธรรมคลายออกแห่งโลกียธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหรือความยึดถือในโลเกียธรรมคลายออกหมดก็กลายเป็นโลกุตตะธรรมมันก็เข้าไปสู่ขั้นที่สิบห้าต่อไป เรียกว่านิโรธานุปษษัตสีนิปษษัตสีตามเห็นซึ่งนิโรธคือความดับสิ้นสุดลงไปแห่งความยึดมัน่นถือมัน่นด้วยอุปาทานในกรณีนั้นๆมันหลายขัน้นตอนหลายระดับอุปาทานในขั้นตอนๆดับลงก็เรียกว่านิโรธ ปาทานขั้นสุดท้ายดับลงเป็นพระอรหันต์ก็ได้ว่านิโรธเดี๋ยวนี้อุปาทานอะไรของเราที่กําลังนั่งพิจารณาอยู่นี่มันดับลงไปแล้วก็ดูอันดับดับดูดับดับดับเมื่อนี้เวลาค้าดูจางคลายจางคลายนิโรธาก็ดูดับดับดัดับียกว่านิโรธานุปัสสีมันดับ ไม่ทิ้งเชิงดับน้อยๆยดับชั่วคราวดับอย่างในโลกโลกนี้จะเรียกว่านิพ <laughs> <ip uti> ุตตินิพุตติคือนิพพานสามายิก า, าชั่วคราวชั่วคราวนี้นิพพานชั่วสมัยที่เราเย็นใจในบางเวลานั่นคือนิพุตติหรือนิพพานชั่วคราวอันนี้มันดูวนิพุตติดับนี่มันดับชั่วคราวหรือว่ามันดับได้ มากน้อยมันดับมีเหลือหรือดับไม่มีเหลื อ, อดูดูการดับของสิ่งที่มันดับก็เห็นชัดอย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นใดขั้นหนึ่งในระดับใดในระดับหนึ่งคำว่า น, นิโรธ <c oughs> ก็แปลว่าดับนนิพพานก็แปลว่าดับ ทั้งสองอย่างด้วยกันนี่มีอย่างดับเหลือดับไม่เหลือดับมีเหลือดับไม่มีเหลือดับไม่มีดับไม่มีเหลือก็หมดเรื่องถ้าดับมีเหลือก็ดับต่อไปต้องทาให้ดับต่อไปดับต่อไปอะไรเหลืออยู่ก็ดับต่อไปแม้แต่ว่าเห็นนิวรดับไปโดยสิ้นเชิงก็ยังดี ก็ยังเป็นเห็นนิโรธของนิวรณ์ต้องรู้ไว้ว่านิโรตนิโรธนิพานเนี่ยก็เป็นเพียงธาตุตาธาตุธาตุธาตุธาตุนิดหนึ่งนะน่ะอย่าเอาเป็นตัวตนกันมานิโรธาธาต์มีชื่อเรียกเต็มไปหมดนิพานธาตุก็มีชื่อเรียก นิพาณิธาสองอย่างสอุพาทิเสสานิพานิธาอนุปาทิเสสานิพาณิธาสกว่าเป็นธาตุเป็นธาตุเรารู้จักนิโรธโดยความเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เห็มันวัตถุวัตถุธาตุไอนามธาตุนี่มีอีกหลายแล้วก็ยังมีนิโรธาธาตุ ซึ่งไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าจะจัดเป็นรูปหรือเป็นน้ำแต่พวกอภิธรรมก็จัดนิพพานนิโรธเนี่ยเป็นน้ำผมไม่เข้าใจยังไม่ยอมรับผมจะไม่ถือว่าเป็นรูปหรือเป็นน้ำถ้าเป็นรูปก็มีเหตุปัจจัยถ้าเป็นป น, น้ำก็มีเหตุปัจจัยคือนน้อมไปน้อมไปเมื่อต้องมีเหตุปัจจัย จ, จัดพระนิพพานเป็นน้ำจัดนิโรธเป็นน้ำยังไม่เห็นด้วย นามและรูปต้องเป็นสิ่งที่มีเหตุและปัจจัยเมื่อ น, นีโรธและนิพานไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยจะไปจัดเป็นรูปเป็นนามไม่ได้แต่ก็เป็นธาตุนี่แหละธาตุธาตุนะธาตุชนัสังคตธาตุนี่ในนามเละรูปมันเป็นธาตุช น, นิดสังคตธาตุนิโรธและนิพานมันเป็นอสังคตธาตุ ไอ้ธาตุนี่ธาตุจะแจกกันให้หมดก็เรียกว่ามีโดยย่อมีสรูปธาตุอรูปธาตุแล้วก็นิโรธาตุถ้าแจกเพียงสามอย่างนี้ออกกรรมมาธาตุไปฝากไว้ในรูปธาตุเพราะวารรมเนี่ยเป็นรูปมีรูปรูปธาตุธาตุมีรูปอรูปธาตุธาตุไม่มีรูปนิโรธาตุ เป็นที่ดับแห่งรูปธาตุและอรูปธาตุเป็นที่ดับแห่งธาตุทั้งปวงถ้าจะแจกเป็นกามาธาตุแล้วก็รูปธาตุและอรูปธาตุและนิโรธาตุอย่างนี้ก็เป็นสี่ธาตุนิโรธาตุก็เป็นธาตุที่ดับแห่งธาตุทั้งปวงสติปัญญาของคุณที่ปฏิบัติวิปัสสนาสองสามวันที จะเห็นนิโรธาธาตุได้หรือไม่ถ้าเห็นได้ก็เก่งเพื่อประมาณเห็นนิโรธาธาตุธาตุเป็นที่ดับแห่งกามแห่งรูปแห่งอรูปมันก็จะเห็นได้บ้างแนหะไม่มากก็น้อยไอกามที่เคยกัดกินอย่างเจ็บปวดเดี๋ยวนี้มันจางคลายหรือมันดับไปบ้างหรือว่ารูปธาตุ ตัวรูปนันก็จางคลายดับไปอัศาธาความพอใจยินดีในรูปนั้นก็จางคลายดับไปในอารูปก็จางคลายดับไปหแต่จะพูดตรงๆไม่กลัวใครก็รว่าไอความบ้าบุญเมาบุญบ้าดีเมาดีลงดีนั่นแหละถ้ามันจางคลายลงไปหรือมันดับลงไปได้บ้างนี่ก็เป็นนิโร ธ, ธ า, าธาตุได้ คุณยาคุณยายคุณตาก็อาจจะเห็นนิโรธธาตุในส่วนนี่ได้เหมือนกันนะมาทาวิปัสสนาในขั้นต้นตอ น, นเพียงท่นนี้นิโรธนิโรธเป็นจุดประสงค์เป็นจุดประสงค์มุ่งหมายปลายทางเป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าท่านสัตว์ว่าแต่ก่อนก็ดีเดียวนี่ก็ดีเราพูดแต่เรื่องทุกข์กับทุกข์ขนธโรคดับไม่เหลือแห่งทุกข<อ>์ก็ทํามันมีทุกข์ขนธโรคแล้วมันหมดปัญหามันหมดเรื่องทั้งนั้นจึงเตือเป็นจุดหมายปลายทางไปถึงที่นั่นได้มันก็จบเรื่องเดี๋ยวนี้ก็ก็ดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆจนก็จะดับหมดก็ก็จะหมดเรื่องเป็นจุดประสงค์ มสมาธิภาวนาใช้คาว่าสมาธิภาวนาเนะการทำความเจริญกับจิตใจอานาจสมาธนะิมันไปจบลงที่นั่นไปจบลงที่นั่นเอกคตาจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์นี่นะสมาธิภาวนาสูงสุด ก็มีนิโรธเป็นแห่งความดับเนี่ยเป็นจุดน้อยปลายทางแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วเอก ข, ขัตาจิตมีนิโรธมีนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าสมาธิภาวนาคลุมหมดทั้งส ม, สมถะและวิปัสสนาสมาธิก็ดีวิปัสสนาดีเรียกว่าจิตเรียกว่าสมาธิภาวนาหรือจิตภาวนาก็ได้ สมาธิภาวนาทั้งหลายเนี่ยมันมุ่งไปที่นิโรธหรือนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์มีนิโรธเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์แห่งธรรมสมาธิธรรมสมาธิคือความเพ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งสมถะทั้งวิปัสนาเป็นธรรมสมาธิ ถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์เราก็เป็นอันว่าเรารู้นิโรดนิโรต <c ười> คือธาตุชนิดหนึ่งเป็นที่ดับแห่งธาตุทั้งพวงถ้ายังไม่เห็นลึกถึงขนาดนั้น <c ười> ก็เห็นว่าการดับ <c ười> การดับมี <c ười> การดับมีเมื่อเห็นอันนี้จังความแล้วคลายออกคลายออกแล้วมีการดับ สิ่งใดที่ เ, เคยรักเคยหลงรักแล้วก็เห็นอนิจจังของมันมันก็คลายความรักและความรักก็สิ้นสุดลงไปนี่ก็จะเห็นนิโรธได้เหมือนกันเอาไปใช้ที่บ้านที่เรือนก็ได้บวดอยู่ก็ได้สึกไปแล้วก็ได้รู้จักทำความจางคลายแห่งอุปาทานในความดับแห่งอุปาทานเลย จะเป็นพุทธบริษัทเต็มเนื้อเต็มตัวเป็นพุทธบริษัทถึงขั้นที่นี้ก็มาถึงวตินิสัทธานุปสีขั้นสุดท้ายขั้นที่สิบหกแห่งทั้งหมดหรือเป็นขั้นที่สี่แห่งหมดนี้ ขุมวดธรรมานุปัสสนาเมือนควรจะคล่องแคล่วว่าขั้นอะไรของอะไรนี่ถายังมาต้องนึกมาตังนับอยู่มันก็ลำบากถ้าเป็นนักเลงแท้ๆมันมองเห็นชัดจะเรียกว่าขั้นอะไรของอะไรของทั้งหมวดหรือของหมวดไหนนนี้เป็นขั้นที่สุดท้ายของขั้งส6บหขั้น นักก็ปนขั้นสุดท้ายของธรรมานุปัสสนาเรียกว่าปฏินิสักขาคำนีแ้แปลว่าสลัดคืนนิสักขะแปลว่าสละสละปติปฏินั่นทวนกลับคือคืนสละคืนสละ่ะสละคืน ความมันก็บอกดีอยู่แ ล, แล้วมันสละคืนที่ถูกต้องมันต้องคืนคำนี้มีความหมายอะศึกษาดีแต่มันจะต้องเป็นการสลับคืนไปสู่สภาพเดิมสภาพหมายเนี่ยมไปเอามาถือไหามาแบกไหวทูลไหวนี่พอมาถึงสภาพนี้ก็โยนคืนกลับไปไม่ถือไหวไม่แบกไ่า ซึ่งปฏินิสสขาก็คือหมดความยึดถือไห้หมดความแบกไหว <c oughs> มันเป็นความจริงที่สุดตามธรรมชาติอาการอันนี้เป็นความจริงที่สุดสลัดคืนสิ่งที่ได้เอามาถือไห้คืออุปาทานมาถือไห้อะไรมาถือไห้นิโยนคืน ก็ไม่ก็ปล o n ลงไปเสีอจากความยึดถือไหว้เพราะถ้ายึดถือไหว้มันก็หนักมันก็หนักไม่ว่ายึดถืออะไรต่อให้ยึดถือลมมันก็หนักถ้าสังเกตเป็นรู้จักของดีก็หนักของไม่ดีก็หนักของไม่ชั่วไม่ดีก็หนักถ้ายึดถือถ้ายึดถือก็ไม่เป็น ปฏินิสักกะแล้วไม่เป็นนิพพานท่านจึงมีคำกล่าวว่าไม่ยึดถือแม้แต่ น, นิพพานโดยความเป็นนิพพานหรือเป็นนิพพานของกู <c oughs> เดือนนี้ก็ยึดถือไว้ล่วงหน้านะกูจะเอานิพพานมาเป็นของกูนี่เพราะความเข้าใจผิดไม่รู้เรื่องอุปาทานความยึดมัน่นถือมันมาเป็นสิ่ง แลวร้ายที่สุดอะไปยึดถืออะไรนั้นก็หนักขี้ฝุนสักเม็ดยึดถือก็หนักทรัพย์สมบัติยีดถือกันหนักนิพพานที่เอามายึดถือนั้นไม่ใช่นิพพานจริงเป็นนิพพานปลอมเพราะนิพพานจริงไม่ยึดถือมันมีการไม่มีการยึดถือในนิพพานแต่ยึดถือนิพพานก็ถูกนิพพานปลอมมันก็หนัก เที่ยึดถืออย่างยิ่งอย่างกว่าจริงได้มันคืยึดถือตัวเองยึดถือตัวกู้ยึดถือตัวกู้หนักกว่าภูเขายึดถือตัวกู้ตัวกู้มัยึดถือให้มันหนักกว่าภูเขาความหนักที่สุดก็คือยึดถือตัวกูแล้วก็ยึดถือเอาเป็นของกู้โยนทิ้งไปได้ให้มันก็ ไม่หนักก็หลุดพ้นก็สบายอิสระสงบเย็นคาปฏินิสักขะนี่มีความหมายที่สุดไม่ใช่โยนทิ้งมันเทขยะทิ้งนั่มันไม่ได้มีความหมายอะไรนักทีนี้มันโยนของหนักออกไปแล้วอยู่สบายมีชีวิตเย็นมีชีวิตเบา มีชีวิตหลุดพ้นมีชีวิตเป็นอิสระที่นี้จะเล่าเรื่องนี้ให้มันตลอดสายจำง่ายคอยฟังให้ดีนะชีวิตนี้มันตั้งต้นขึ้นมาคลอดมาจากท้องแม่ไม่มีอะไรมา มาตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ไม่ไรูจ้จักว่าอยากเกิดกูอยากเกิดมันก็ไม่มีธรรมชาติมันปรุงแต่งพอดมาจากท้องแม่โดยอาศัยบิดามันดามันก็คลอดออกมาเราไม่ถือว่ากิเลสติดมาแต่นู่นกิเลสที่เป็นของเพิ่งเกิดม่นมีเหตุมีปัจจัยจะทำบมาบ้าวววนั้นะแบกกิเลสมาแต่ชาตินู่นไม่ไม่ไหวอ่ะไม่มีเหตุผลถือว่า ชีวิตจิตนี่ออกมาเกลี้ยงไม่มีอะไรที่พอมาคลอดมาแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสนั่นสัมผัสนี่ยินดียินร้ายนี่กิเลสเกิดเพราะความยินดียินร้ายนี่มาพบพบโจรกิเลสนะั่นคือโจรมาพบโจร สมัครข้าไปหาโจรเป็นพักพวกโจรสลดัดในความบริสุทธิ์ที่มีมาแต่กําเนิดเสไม่เอากับมึงนะกูไม่เอาโจรทำกิเลสสนุกสนุกเด็กโง่หเด็กโง่เกิดมาพบโจรครบโจรครบโจรทีนี้ก็มาทําอย่างโจรก็มีกิเลสตัณหาปาทานนมก็ไปประพฤติการทำอย่างโจาาปปร ที่ดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไรโจรก็ล้นะโจรก็ล้นพอได้คบโจรก็ไปล้นว่าธรรมชาติมาเป็นของกูทับสมบัติของธรรมชาติทั้งหลายไอ้เด็กโง่ไปคบโจรก็เป็นโจรไปล้นว่าธรรมชาติมาเป็นของกูของกูของกูปล่นออกมา ที่ธรรมชาติมันไม่ยอมไปปลนมม้นออกมาดิมันมันโกงดนี่ามันก็ตอบแทนกัดเอาสิปลน้นออกมาเท่าไรมาเป็นข้องคูเท่าไรมันกัดเอาเท่านั้นกัดเอากัดเอากัดเอาที่ีความทุกข์หรือความเจ็บปวดถ้ากัดหนักข้าวกัดหนักข้าวนี่ก็เบือ่อไอเด็กโง่นี่ก็ไม่เอาแล้ววิจารณ์นะ้นไปหา นะของเดิมดีกว่าของบริสุทธิ์ขอคงไม่ไม่ง้ไม่หลงไม่ไม่ของบริสุทธิ์ข อ, ของเดิมมันเด็กโง่ก็เบื่อนี่เด็กโงู้อก็เลิกเป็นโย น, ค, นคืนของคืนของโยนให้ธรรมชาติโยนให้ธรรมชาติอ่ะคืนกลับให้ธรรมชาติจบเรื่อจบ นิพพานจบนิพพานสมมตินิข้าใจง่ายนะเด็กโง่ออกมาจากท้องแม่ไม่มีอะไรจิตตัวมาพอมาจักหน่อยก็ครบโจรคือคอบกิเลสที่ค่อไๆเกิดขึ้นเป็นโจรสมทบกันเป็นกันเป็นโจรปล้นธรรมชาติเอามาเป็นของกูเป็นของกูยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอย่างนี้ ยึดมันเท่าไรมันก็กัดเอาเท่านั้นรักก็กัดอย่างรักโกรธก็กัดอย่างโกรธไม่รักไม่โกรธมันก็ยังกัดเอาเด้วยความโง่ความหลงไม่รู้ว่าอะไรเนียโลภะโทสะโมหะมันกัดกัดกัดอยู่ีภาธานหนักและเป็นทุกข์ยึดมันในขันทั้งห้าก็เป็นทุกข์ไปปล้นเอาขันทั้งห้าจากธรรมชาติมาเป็นของกูมันก็กัดเอามันก็เป็นทุกข์ มันต้องหนักอา ก, กัศ ห, หนักข้าวหนักข้าวเนี่ยอายุก็พอสมควรแล้วเด็กๆ ไ, ไ, ไม่รูกก้อากาศแล้วมันก็กำลังไปหลงครบโจมครบโจมแล้วได้รับโทษได้รับโทษนี่มันจึงกลายเปโอ้แย่เลยเบื่อทีเนี่ยจางคลายออกไปถึงที่สุดโยนคืนเจ้าของมยไม่เอาแล้วไม่ปล้นมันแล้วไม่เอามาเป็นของกูอีกแล้วเนี่ยมันก็จบนะ คำว่าปฏินิสสขามีความหมายมแยบคายมากเลยค่ะเดียเด๋ยวนี้ใครกี่คนที่รู้สึกว่าครูกำลังปล้นของธรรมชาติมาเป็นของครูมาเป็นโจรจนกว่าใจเด็กน้อยนั้นหายงูไม่ครบโจรมาครบพระพุทธเจ้ามาครบความถูกต้องความบริสุทธิ์ที่ติดมาในใจในเดิมในแต่เดิม โยนยหมดก็พบความปล่อยวางความเกลียงเกล้าแล้วก็นั่งอาบพระนิพพานโฆษณาชวนเชื่อนี่ไม่โกหกนะปีติก็นั่งอาบปีติสุขก็นั่งอาบสุขเดี๋ยวนี้มันนั่งอาบพระนิพพานดีกว่าไม่เปียกไม่แห้งว่างดีอาบความว่างนั่งอาบความว่างพระปฏินิสัพพะได้ เห็นเห็นความว่างอย่างนี้อยู่ในความรู้สึกก็จะก็นั่งอาพระนิพพานคืออาความเย็นเพราะไม่มีกิเลสเพราะไม่มีความทุกข์พ้นความเป็นโจรพ้คนความเป็นโจรคืนเจ้าของพ้คนความเป็นโจร นี่เป็นอานาปานสติหมวดสุดท้าย <c oughs> ได้บอกมาตั้งแต่ต้นว่าอานาปานสติขั้นไหนก็ให้พิจารณาอนัตตาพอมาถึงขั้นนี้ไม่ต้องแล้วเพราะมันเป็นอนัตตาแล้วมันเลยอนัตตาแล้วได้รับผลแห่งอนัตตาแล้วก็พิจรารณาพ้นแห่งอนัตตาี่ สิบเอสิบสองขั้นขั้นต้ น, ต, นต้นนุ่นพิจารณาอนัตตามาเรื่อยเรื่อในทุกตอนเพื่อจะไม่ยึดถือเป็นตัวตนสตัตบุคคลเขาเขาในในสิ่งนั้นๆั่นบัดนี้มาพ้นจากความยึดมัน่นถือมันแล้วก็พิจารณาความไม่มีตัวตนผลแห่งอนัตตา อบรมอบรมอบรมจนจิตประพัดสอนกลายเป็นประพัดสอนตายตัวประพัดสอนทีแรกมันก็เด็กคลอดมาจิตเกลี้ยงไม่มียึดมั่นแต่ไปมาคบโจครคบโจรก็เป็นข้ามมองเป็นกิเลสเรื่อยเดี๋ยวนี้มันก็เลิกคบโจรประพัดสอนประถาวรเป็นอภัดสอของพระอรหันต์ประพัดสอของคนธรรมดามีตามธรรมชาติของจิตมันขึ้นขึ้ น, นลงลงเดี๋ยวประพัดสอนเดี๋ยวไม่ประพัดสอน จิตภาวนาอบรมกันเสียใหม่จนจิตอยู่ในสถานาที่อะไรมาปรุงแต่งไม่ได้คือเลิกขัโจนนะวิภพสวรตลอดการไม่ไม่สูญเสียความเป็นวิภพสวรอีกต่อไปเป็นวิภพสวรของพ ร, ร, ระพอรหันต์วิภพสวรคของนธรรมดานะมันล่อหลุดล่ลอหลุดวะภพสวรรค์ของเออพระอรหันต์ก็ตายตัวหายเรื่องมันก็จบนี่มันก็จบ อานาปาณสติด้วยความอยู่เนื้อการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงมาถึงอตัมมยตาภาวะที่อยู่เนื้อการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงไม่สูญเสียความเป็นประพัดซ้อนอีกต่อไป ธรรมยตาเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้มันจะได้กันที่ตรงนี้เป็นปฏินิักขะเนี่ยคือไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปเวลาเขาหนึ่งชั่วโมงไก่เขาเตื่นน่หยุดการบรรยายในวันนี้วันหน้าจะบรรยายสรุป อามาปานสติทั้งหมดขอยุติการบิญญาย